ฟังธรรมต่อก็เด็กนอ้องเอาได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทรงเสดงมาแล้วธรรมเทศนากันนี้สอง0ันหปีกว่ายังมีไออุ่นอยู่ถ้าเราปฏิบัติ ถ้าท่องเฉยๆก็ยังเป็นพื้นที่ไม่ได้เหยียบเช่นทางมเรายังพากันมาปฏิบัติหลักปฏิบัติหลักการที่ทำให้รู้เรื่องนี้คือคือนี่อยู่การเจริญสติว่าจะเห็นพบเห็นยิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราจริง เราได้สัมผัสได้กระทำลงไปสิ่งที่ผิดได้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกได้ทำลงไปเป็นคำตอบแต่ละทีวิตถ้าเราปฏิบัติตอบเองได้เป็นสัจธรรมได้หลักได้ฐาน เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นแต่ลัะอยู่กับรูปของนามตามความเป็นจริงว่าบันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็หลุดออกไปเหยียบไปไหลไปสู่มรสุผลเอามว้อยู่แต่ก่อนทุกข์ก็เป็นทุกข์พอเห็นแต่ลักตามความเป็นจริงทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ ทุกต้องกำหนดรู้รู้แล้วนี่มันเลยไม่ไม่อยู่ตรงนี้ไปเสร็จแล้วเหตุี่เกิดทุกู้แล้ ว, ลลวเห็นแล้วละแล้วละได้แล้วเห็นแล้วจริงจรงเนี่ยเหตุใดทําไม่เกิดทุกข์หลักการปฏิบัติก็เห็น เห็นแล้วไม่เป็นเพราะจากกันว่าที่เป็นนั้นนี่เรียกว่ามันสัมผัสการสัมผัสแต่ละคนไม่มีคำถามเป็นสัจธรรมความเพิยรความจริงเป็นเช่นไรทุกก็เห็นแล้วเห็นได้เกิดทุกกวลาได้แล้ว วิธีทำเงินไะด้ถึงความแบบทุกก็ทำใม้แจ้งแล้วไม่ต้องถามใครทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รู้เห็นตามความเป็นจริงนี่ปริวัติสามอาการสิบสองระวัติสมก็คือเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์นี่สอมือเห็นได้เกิดทุกข์ เพื่อเหตุน้นได้แล้วทำได้แล้วมันก็สามอย่างนี้แจ้งแล้วทำไม่แย้งแล้วทำได้แล้วไม่หลงตุนนี้อีกชำนานา เ, เพราะมีหลักฐานด้มีสติไม่มีวิธีใดนอกจากการมีสติตามหลัก วัชิมะปฏิปุทาะเยสยยาีิตังและเจชิรลีความเห็นชอบการดำเนินชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบกาเรเลี้ยงชีวิตชอบความภาพเพียงชอบการตั้งสติไว้ชอบการตั้งใจไว้ชอบเพียงพอแน่นหนา ก็อยู่ที่รูปที่นามนี้จริเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยเวลามันหลงก็ผมไม่หลงก็ไม่ที่นั่นแล้วเวลามันทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วอุ่นใจหุนใจเหมือนพระพุทธองค์นั่งคุยด้วยสนทนาด้วยเป็น คนที่อาศัยได้ว่าทำไม่อยู่จริงคำสอนมีอยู่จริงเมื่อเห็นธรรมก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นธรรมจริงจริจรึงมั่นใจสุดหัวใจเรื่องนี้ไม่มีวิธีอื่นไม่ได้ อ, อ้อนวอนไม่โยกเบิกท่วมหัวให้คนนั่นช่วยให้คนนี้ช่วยไม่มีแล้ว สุดที่สุดแห่งการสวงหาเพราเห็นหลักฐานที่อยู่ในชีวิตเราดีอย่งมันม่นใจมั่นใจถ้าผู้ใดป่าลบความเพียมีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดเนึกอนะังเขาก็ไปได้แล้วเหยียบเส้นทางได้แล้วจะเห็นไหลที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มันเป็นรูปเป็นนาม รูปก็บอกความจริงความเท็จนาำก็บอกความเท็จความจริงที่บัดเสดงออกเท่าไหอาการอาการเกิดขึ้นกับรูปอาการเกิดขึ้นกับน้ำเราไปเรียกว่าสุขเราไปเรียกว่าทุกข์มันก็ใหญ่ถ้เห็นแต่ละการามันเล็กน้อยทุกเป็นอาการความปวดเป็นละการไม่ใช่ตัวจริง อาการนี้มันผิวเผินไม่ใช่หลักจริงเช่นจิตใจของเรนี้หลักใจมันบริสุทธิ์อยู่อาการมันจอร์มาเป็นข้างเป็นข่าวเช่นความโกรธอาการเรี่อมันจอร์มาเราก็มีวิธีสละคืนรู้เจ้าว่าอย่างนี้ไหว้ต้นลับ ไม่มีที่อาศัยไม่ให้ข้าวันเลยอาศัยไม่ได้เพราะเรารู้เราทำได้ที่ใดก็ทีนั้นเอยม่ไม่ย่อมไม่ติดยอมไม่ติดบริสุทธอยู่เสมอเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ในช่วงนี้ หลงไม่เป็นหลงหลงเป็นลู่อ้าวมชรจัดไปแล้วอีกที่มันจะมาเพื่อนหมดไปแล้วความเพื่อนไม่มีแล้วทุกเป็นรูเนี่ยไันทำอย่างนี้ไม่ไม่เหงื่อไม่ไหลเหงือไม่ไหลปฏิบอดได้ได้ผลหน้าอย่างนี้เดี๋ยวทำมะตัดไว้ดีอย่างดีหาวิธีอื่นไว้ถูกต้อง จะละคืนไม่ต้อนรับไม่ที่อาศัยไม่ให้ค่าหลักเดียวท่านี้วิธีปฏิบัติต่อรูปตอนน้ำที่มีอาการเกิดขึ้นกับรูปบำนาญนี่เราก็เห็นป่านนี้แล้วทุกคนก็เห็นอย่างนี้ได้ไปเชื่ออะไรที่ั้นอีกก็เกิดศรัทธาตรนนี้แยวแน่ ศรัทธาตันี้เป็นพลังใหญ่เมื่อมีศรัทธาก็มีความเพียรามกับจริงเหล่านี้ไม่ปล่อยทิ้งในทอดทุเละไม่มีความเปียนก็มีสติมีสมาธิมั่นคงเป็นหลักชีวิตได้หลักเดิมมั่นคงไว้ เ, เสาเขื่อนเหมือนภูเขาเหมืนก้อนหินไม่หวัน่นไหว มันจับหลักได้มันได้หลักได้ฐานนี่นจึงเป็นสิ่งที่สาคนอยู่กับทุกชีวิตพอพูดดังนี้ก็อันเดียวกันหมดชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่แตกต่างกันเลยไม่เกี่ยวด้วยเพศด้วยวัยระดับที่มีกายอันเดียวกันเป็นรูปเป็นนามมีอาการเหมือนกันหมด มีความไปเที่ยงเหมือนกันสลมันลักษณะเหมือนกันก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันไม่ใช่คนละอย่างเท่าเทียมกันได้มาเท่ากันควาวไปเที่ยงก็มีเหมือนกันหมดความเป็นทุกข์ก็มีเหมือนกันหมดต้องหายใจเข้าหายใจออก ต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายเหมือนกันหมดไหวหวั่นก็เหมือนกันหมดเป็นสาคนอย่างนี้จึไม่แตกต่างอะไรกันน่าเห็นใจมันโกรธกันไม่ได้มันเกลียดกันไม่ได้เราก็ทุกอยู่เราก็ทุกอยู่ ตางคนต่างอยู่ในวัตน่นี้ทุกบางอย่างก็แช่กันอยู่แช่ใครแย่เราทุกบังอย่างก็บางคนก็ยังไม่แจ้งทำไม่ได้ต้องช่วยกันไปช่วยก็ช่วยกันบอกกันอย่างนี้ช่วยไปยกออกให้ ใ, ใจเขินขมโกรธมันก็ออกข้างกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอาเองปฏิบัติด้วยตนเองจึงเพี่นเพื่อนกันอย่างนี้พูดกัน้วยินด้ฟังหรือเคี่ยเี่ยเียช่วยเคี่ยออกปัญหาอลาก็ช่วยกันเคี่ย เม่อญาย์พ่ทาตท้วดไว้ว่าตามความฉันเหมือนฉันยังไม่ตายอะไรจะไม่ได้ก็นี่ก็คือมีแต่ความอุ่นใจอบอุ่นใจแล้วก็มีระเบียบวินัยที่ทำให้เราเป็นเหลือพึ่งบายใส่ได้ระเบียบวินัย ลป็นลู่ที่ทำให้เราไปทางเดียวกันเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไม้เราเป็นนิสัยกระจุกระจายกันลูกต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ทําไม่ใหญ่ก็เช่นได้ร้อยข้อหากันแล้วก็เป็นอันเดียวกันแล้วกดก็ไม่ได้เบียดเบียนก็นไม่ได้ แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราเหมือนกับลากร่อนไม้ทำไม่ไหนเหมือนกับลากแก้วทาให้เรามั่นคงนึกปุ่นนี้เพลนแล้วก็เป็นดอกกอขนุนได้ถ้าเรามั่นคงไม่ลากแก้วตอนไม้ไม่ลากแก้วปลูกเป็นนานนานนานปีเขาก็จเจริญเติบโต เนดก อ, อกอบขนน้อยกก็มีสิ่งที่ถูกต้องวาจาก็มีสิ่งถูกต้องความคิดก็ถูกต้องการงานถูกต้องการเลี้ยงชีิตถูกต้องความภาพเค่อนถูกต้องการสตดีถูกต้องสมาธิคือจิตใจไว้ถูกต้องก็ไปกันหมดเลยจปนพวงไปครบปวงจร หตุวัดวิธีวัดก็มีครบกันตอนเช้าตอนเย็นเวลาฉันเวลากบฉันก็แบ่งปันกันที่เดียวกันเหมือนกันหมดถ้าใครปวยก็ดูแลช่วยกันตามกำลังของพวกเราอย่าทษอย่ดิ้งกันที่งดา้ อนี้หลวงตา ก, ก็ไปอยู่ภูหลงแส่ใสอาจารย์ไพศาลอยู่ก็สบายที่สุดเลยมีคนมากับนูน่นอาจารย์ไพศาลอยู่น้น่นก็ผ่านไปได้ก็ไม่ได้มาเอาแต่เดินเดนเด น, นอนนอนยู่ก็ไม่มีฆ่าอะไรกลวจะเป็นบาป กิ้นหาน่นทำอันนี้ทำก็ทำไม่ได้พื้นที่ไม่เหมือนที่นี่มีแต่ภูเขาก้อนเห็นปีนป่ายขึ้นไปหัวหกล้มก็เลยไปไหนไม่ได้ถูกมัดไปกับที่ที่นี่ก็ยังพอไหวมีทางรถก็บิงไปโน่นไปนี่เห็นต้นไม้เห็นอะไรต่างๆเห็นหน้อยไปไม่นานนะ เรถึงพวกเราอยู่เหมือนกันนะเราไม่คิดถึงกับช่าง น, นะแต่เราคิดถึงที่นี่เหมือนกันวานกับแ ป, ปะเป่นมุกที่วัดภูเขาทองวัดมูกเสร็จก็มานี่ไปดูงานที่ น, นั่นอันนี้ก็มีไม่หย่งก็จะมองหน่อยหนึ่ง ขนตัดไม่โยงเยอะที่วัดเราไปไม่ได้ตอนขึ้นเขาไปเราปิ้นไปลายไม่ได้แล้วก็เกียงหนาขามโมยเนี่ยตัดทีไรก็จับได้แล้วก็พอเชืบได้จับได้ครั้งหนึ่งก็ยืดไม่ได้จับครั้งที่สองยืดลดกับไม่ได้ จักพังได้สยึดลดได้สามกันจับไม้ได้เต็มคันลดทั้งสามกันเลยได้ไม้จิบก้าโท่อนท่อนของผู้หลงใหญ่ที่จุดเลยวัตถุตอมันดูต้ม น, ตนมันแล้ก็โกรธเขก็ะ่อให้หมดเขาหลงทางเองมาได้เขาหลงทงา ง, ทง พอหลังคู่หลงไปสูงแล้วมันก็ผ่านคู่ขีผ่านลงทางวังยาวผ่านลลตะบ่อทองคำไปดักได้ที่บ่ถทองคำผู้ให่บ้านกำหลังก็เริงตะบลท่าไผ่หวานมีเครือข่ายนักสืบไปบ้านตลายที่นั่นไปองนาออกตาดบ้าก็ไรดีพระถูกฆ่าลายมาหลายรูปแล้ว เราขอตายแทนนันใบสานอันใบสานยังหนุ่มอยู่แต่มันไปไม่ได้เลยหาที่จะปลูกต้นมม้ยูงรดแทนหรือนี่เล่นต้นก้าสองผต้นต้องลงทวนหน่อยคองการห้าสิบปีจากนี้ไปห้าสิบปี ที่วัดนี่จะมีเงินร้อยล้านบาทเขาขายนะนต้นยยงบ้านเก่างานเท่าไฟหวานเนี่ยเสาอื่นขาดหมดลื่ลงมาต่อเสาปูนแต่สองต้นเป็นแม่โยงไม่ขาดเลยอานดีต้นละห้ามืนไม่หน้าแปดสิบเอ็ดซอกเนดะ้อต้นห้ามืน รางบ้านในหลังหนึ่งเลยได้เงินถึงแสนบาทขายไม่สงต้นเนี่ยแ้วเราปลูกไม่โยงห้าสิบปีนับจากนี้ไปไม่โุงเด้อต่อมเสาได้หน้าแปดได้ขายต้นห้าหมื่นสองพันต้นก็ได้เงินร้อยล้านเอาไหมพวกเราเราพากันตายแล้ว <c oughs> เหรอเราพูดสนุกไปเฉยๆเด้อมาเห็นย่านสร้งสินจานโนจันจ เฉยๆเพื่อนๆ เ, เราที่นี่อุ่นใจไบภูเขาท้องอุ่นใจพระที่นั่นก็ทํางานเล้ก็จอๆเพระไม่อยู่ให้หลวงพ่อเป็นเพนไปชื่อมาเลี้ยงไว้โย่ไว้ที่นั่นที่นั่นแล้จับสายยางเก่งอยู่มีน้ําสะดวกนีพระอยู่เป็นประจําต้องเลี้ยงไปที่วัดภูเขาท้องก่อนแล้วถึงเวลา สองสามปีที่เกิดถานมาเลี้ยงจากสามปีต้นมาจะเพียงหัวลอวปูกก็เป็นป่าเลยก็ต้องอนุบาลมันอย่างนี้เลยคิดแบบันแก่ก่าวโวหารอย่ามาเชื่อนะเด้อก็เป็นบรได้ ไม่ยางเนี่ยเราไปชื่อว่าทำสาลาวัดภูกรทองหน้าแปดหน้านิ้วครึ่งหน้าสองเนี่ยตัวละเกือบสองพันบาทสิบหกศอกที่นี่ปลูกไม่ยางม่เป็นหลายแสนต้นเนี่ยกำหนด ว, ว่าสามสิบปีจะขายต้นนึเงหมืนม่นบาทมันตกได้แน่นอนเนี่ยวาซอยออกกันได้หลาย หลายตัวเนีสามสิบปีนะเพ้า น, นันอนาคตเนี่ยต้องหวังว่ายาวๆให้ลูกให้นหลานรับในดินจะในน้าเอาไว้แม่คนอื่นจะทำลายเราจะสร้างสรรค์เราไม่ทำลายเยก็ควดเล่นๆว่าคิดเล่นๆไม่ามสุขเหมือนกัน ไม่คิดทำลายเนี่ยคิดสร้างสรรค์มันมีความสุขมีชีวิตชีวาดีก็ไม่ค่อยจะมีแรงนะวดลงเรื่อยๆเจอกรพูดมันก็ได้ละอ่อตอนนี้ก็จะไปไม่ไหวแล้วจบแค่นี้ก่อนเนาะอ๋อสมถานศินพ่อสินแม่สิน